ที่ส2บสองสิงหาปีที่แล้วพวกเราก็เลยเอาหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาปฐุรงกรรมฐานหลักของใจไปแจกพระใหม่ทำเป็นใส่ถุงครบแก๊บพอพระออกแล้วเราจึงค่อยแจกเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่ได้กำชับเลไแจกไม่ได้มากแจกได้ประมาณสักสามสี่ร้อยชุดมั้งยังเหลืออยู่อยู่ที่นี่ประมาณสองร้อยชุดปีนี้ นี่เลยเอาไปแจกออกแจกให้หมดแจกครูบาอาจารย์แจกพระองค์ไหนต้องการแจกแจกไปเลยธรรมะปนมันห่อเป็นชุดอยู่แล้ ว, ลวเลยเอาเอ็มพีสามของหลวงตาไปอีกเมื่อวานเลยเกือบ5้าร้อยชุดมันยขาดอยู่หน่อยหนึ่งออกมานับดูแล้วทีหลักหลวงพ่อเอาไปสักห้าร้อยชุดนะธรรมเทศนาที่เขาคัดเลือกมาแล้ว เขาก็ถวายหลวงพ่อมากนั่นแ่ะที่ท่านเอามาถวายหลวงพ่อประมาณเจ็ดพันชุดนะแต่หลวงพ่อก็แจงแล้วแจกอีกเนี่ยคิดว่าจะมาเน้นพวกพระที่มาคารวะที่วัดของเราเนี่ยจะให้พระเป็นส่วนมากคือธรรมเทศนาของหลวงตาถ้าจะให้โยมไปถ้าโยมไม่สนใจไม่ได้ศึกษาธรรมะจริงๆจะฟังไม่ออกฟังธรรมะของหลวงตานะจะฟังไม่เข้าใจ พราะวงตาพูดธรรมะลึกลึกซึ้งนะคับผู้ที่ไม่เคยได้เรียนบาลีเป็นพื้นฐานมาก่อนโดยมากจะฟังยังไม่ค่อยออกอย่างลวงตาพูดว่าอริยสัจสีสติปัฏฐานสี่มรรคแดอสุภาสุภาอสุภาษถ้าพวกเราไม่ได้เรียนมามาพอสมควรเราจะไปแปลออกได้ยังไงแปลไม่ได้แล้วบก พอพูดเสร็จแล้วก็พูดไปเลยถึงคิดว่าพวกเราเข้าใจแล้วแต่ตามไม่จริงพวกเรางงเหมือนไก่ตาแตกนะเพราะไม่เคยเรียนมาเอนั้นฟังจะไม่ค่อยเข้าใจพอไม่เข้าใจจุดหนึ่งแล้วต่อไปก็มันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ลึกซึ้งหมดเพราะนั้นเทศของลวงตาในถ้าว่าผู้ใดได้ปฏิบัติเป็นพื้นฐานมาแล้วได้ฟัง บ, บ่อยๆแล้วก็รู้ว่าสุภาษิคืออะไร อสุภะคืออะไรธาตุขันคืออะไรแยกธาตุแยกขันคืออะไรให้ค้าเป็นศัพท์มันออกมาจากบาลีถ้าพวกเราไม่ได้เรียนรู้พวกเราจะงงเหมือนกันนะพองงเสร็จแล้วงงจุดหนึ่งนะจุดสองจุดสามมันก็บพอธรรมะมันโยงไปโยงมาโยงมาโยงไปที่ท่านพูด พวกเราฟังไฟังไม่ออกก็จะปิดวิทยุปิดเทปปิดเอ3มพีสามไปเลยทีไฟังไม่ออกไม่รู้ท่านพูดอะไรอย่างกิเลสเหมือนกันอย่างกิเลสกับทำทำกับกิเลสวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณอายตนะตาหูจมูกเล่นกาย ก็พอจะฟังออกตาหูจมูกลิงกายแต่มันเป็นสัมผัสสัมผัสคืออะไรข็งไม่รู้ท่นตาไปสัมผัสลูกหูไปสัมผัสเสียงมันเป็นศัพท์บาลีปนันพวกผู้ที่ไม่เคยได้เรียนเป็นพื้นฐานมา ก, ก่อนจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าว่าผู้ได้เรียนเป็นพื้นฐานมาแล้วะจะเข้าใจพอจับประเด็นได้เลยโอ้เทศตรงตาเป็นเทศที่ลึกซึ้งมาก เป็นเทศที่ฟังแล้วถอดถอนกิเลสภายในจิตในใจได้ดีทีเดียวเนะ <c oughs> พราะนั้นหลวงพ่อว่าเวลาฟังธรรมเทศนาของหลวงตาต้องใส่ใจนะต้องฟังหลายๆครั้งตัวหลายหนถ้าเมื่อเราฟังหลายครั้งหลายหนแล้วพอจาได้เท่านั้นจับประเด็นได้เท่านั้นเราทำได้เมื่อเราเรียนเลส เ, เลส พอเรียนเลขจบแล้วถึงเลขสิบแล้วจากนั้นก็เรียนบวกลบคูณหารแทนโอ้มันทํายากเหลือเกินบวกลบคูณหารแต่พอเราจับประเด็นได้เรารู้เรื่องว่าบวกวิธีบวกที่ทำอย่างนี้ เ, เวลามันมันผิดแล้วมันถูกเนะี่ยเราตรงย้อนดูอย่างนี้เอเวลาลบจับถึงนี้เวลาหารทําอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อะไรแบบนี้เออมันก็เพลินเพลินไปกับ การเรียนอีกเหมือนกันนะเพราะเราได้เรียนรู้นะแต่นั้นก็จกทดลองดูแล้วจนะ้ะทดลองในการบวกลบคูณหารดนะูอันนี้ก็คือความรู้กันอยู่ในใจของเรานะพอจับประเด็นหนึ่งได้เราออกไปมากๆเลยก็ไดนะ้เรียนไปที่ไหนก็ได้นี่ก็เหมือนกันธรรมธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงปู่หลวงตาถ้าเราไม่ได้เรียนเป็นพื้นฐานมาก่อนการฟังนะั้นงงแตกเหมือนกันนะ วันนั้นธรรมเทศนาแล้วบทเอ็มพีสามของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้คุยไม่ได้โอ้โอวดกันนั่นแต่หลวงพ่อเป็นคนโง่ามาก่อนได้ศึกษากับครูบาอาจารย์มาก่อนพอเรากระจกปอสีเข้ามาบวชแล้วก็ครูบาอาจารย์กับพูดเป็นสับเป็นสับลงมา เ, เราก็ได้เรียนต่อมาเราก็เรียนธรรมวิภาค พอเรียนได้แล้วจิตเราก็ผจับประเด็นได้ผจับประเด็นได้แล้วจึงฟังพอฟังแล้วค่อยฟังออกเพราะนั้นเวลาเราจะพูดให้ใครฟังเนี่ยพอพูดเสร็จแล้วเราต้องมองหน้าเขาก่อนเท่านี้เขาเข้าใจไม่ไหวนะมองหน้าเขาเลิกรักเลิกรักก็แสดงว่าจุดนี้เขาไม่เข้าใจกลับมาย้ำมาพูดอีกใหม่เหมือนกันแต่พอการพูดเราก็จะจะให้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมไม่แค่พูดให้หัวหลักหัวต่อฟังฟังผ่านไปแล้วผ่านผ่านไปพูดไปก็ผ่านไป เออมันก็ไม่เกิดประโยชน์พอฟังแล้วก็มองหน้าเขาอีกเขาเขาเข้าใจมาจุดนี่พยายามเข้ามาอีกเออสับนี่ว่ายัางนี้นะฮอ่อกมาฐานห้าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนเอออะไรคือเกสาโลมานะะัขาทันตาตาโจนเกสาผมฮะผมนะโลมาขนคือร่างกายขอยงเรานะนักขาคือเล็บนะ ทันตาคือแก้วนะคือฟันนะแต่โจคือหนังนะมันหุ้มอยู่ร่างกายของเราเนี่เข้าใจไหมแต่ที้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างไงจึงเป็นพระ ก, กรรมฐานพิจารณาอย่างไงเป็นไม่ใช่พระกรรมฐานถ้าพิจารณาให้เป็นกรรมฐานท่านเรียกว่าอสุภนะอนะสุภะนะแต่ถ้าพิจารณาให้เป็นความสวยงามแบบโลกโลกครับอันนั้นเรียกว่าสุภะเข้าใจไหมสุภะ อสุภาเนะี่ยอ่ะกับสุนะี่ยคำว่าสุภาแปลว่าสวยงามเนียอะสุภาแปลว่าไม่สวยงามเนี่ยอนี้ให้ใ ห, ให้ฟังให้ออกนะเนี่นี่แหละอย่างที้หลวงพ่ออธิบายเลยเพอาะพระพุทธเจ้าให้พิจารณานะอสุภาให้เป็นยังไงผมอยู่ในหัวในผมในหศีรษะของเราทํามันอยู่ในศีรษะของเราเราก็ล้างทําความสะอาดอทางฝอกทั้งแชมพูแชมพูอะไร เอ่ยก็สะอาดสวยงามแต่มันหลุดออกมาจากผมของเราล่ะจากหัวของเราล่ะจากศรีรษะของเราล่ะมันไปตกในอาหารนะมันน่าขยะขแขยงนะเอ่อมันทําไมเป็นอย่างนั้นเอ่อเพราะอะไรเพราะพื้นเพของผมนะั้คืออสุภะของไม่สวยงามแต่เรามาตกแต่งให้เป็นสุภะคือให้มันสวยงามในขณะที่อยู่บนศีษะมันก็สวยงามแต่มันหลุดออกมาแล้วมันไม่สวยงามนะพระพุทธเจ้าทันไหวอย่างนี้ อันนี้คือผมขนในร่างกายของเราก็เช่นเดการเล็บก็เหมือนกันถ้าเราไม่ขัดไม่แคะไม่ล้างมันก็สกก็ปลอกนะเห็นไหมคนไม่ล้างมือคนที่เขาเป็นประสาทตามข้างถนนเปื้อนไปหมดเราเห็นกับขยะขยงมันหยิบอะไรเข้าไปในปากของมันะเออไปไงพอเขาไม่ล้างนี่แหละแต่เล็บไม่ล้างก็ลักษณะอย่างนั้นทำมันตกมาแต่งอมาป้ายสีเข้ามาเขียนลวดลายเข้ามา เขาก็เป็นสุภาพนี่ยสวยงามแต่ที่แท้ของมันธรรมชาติของมันแท้ๆน่ยมันเป็นอสุภะนะมันเป็นของไม่สวยงามอนนีคือเล็บท่านตาฟัน้าฟันเขาจัดฟันเขาตกแต่งฟันเขาขัดฟันดูๆแล้วก็ฟันขาวสะอาดจัดเป็นสี่จัดเป็นระเบียบดูแล้วก็สวยงามอันนี้ก็คือถ้าสวยงามถ้าพิจนาให้สวยงามเรียกว่าเป็นสุภาพ ถัดพิจารณาไม่ให้มันสวยงามเรียกว่าอัศวะอัศวะก็คือเราพิจารณาถ้าเราไม่ขัดไม่ล้างล่ะมีแต่ขี้ฟันเต็มไปหมดอเหลืองแล้วเหลืองอีกเต็มฟันไปหมดนะเจี๊ยวอะไรก็จริงจร่งกินมันนะะกินมันเข้าไปยิ่งเพิ่มขี้ฟันเข้าไปอีกถ้าเราไม่ขัดไม่ล้างต่อไปฟันเหลืองอ่อยนะพวกกินโกโก้พวก ก, ก, ก, ก, กกินกาแฟนะพวกกินน้ําชานะ ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วมันไปเครือบฟันเหลืองอ้อยไปหมดเลยทีนี้ต่อมายังเหลือง 4, อ้อยยังมาแล้วยังเป็นรูอีกต่างหากทีนี้ฟันเป็นรูอีกต้องรอุดรูอีกมีกินเหม็นอีกต่างหากทีนี้ในขณะที่มันเป็นรูนะเพราะอาหารเสียอาหารไปติดในฟันอาจากนั้นพอจากนั้นหลดุดฟันหลุดออกอีกฟันหลออีกต่างหากทีนี้ไปไงคนฟันหลอทีนี้คนฟันหลุลด ไม่มีฟันถ้าปากจะเป็นยังไงเอมันสวยไหมนี่แหละให้พิจารณาเป็นอสุภะร่างกายพิจารณาฟันทันตาฟันให้พิจารณาดูสิให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าว่าฟันถ้าไม่ขัดไม่ล้างเอ้มันจะเหลืองอ่อยเอมันจะสกระปรกปากมันจะมีกลิ่นเหม็นฟันมันจะมีรูแล้วก็ฟันจะหลุด จะล่วงถ้ามันหลุดไปไงสวยงามไหมพราะพุทธเจา้านี่แหละธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นหละฟันต้โจหนังกรรมฐานหา้ตาต้โจหนังร่างกายของเราเป็นยังไงถ้าว่าร่างกายดู ด, ดูแล้วเออผิวพรรณผุดผาดผ่องใสอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวดู ด, ดูแล้วสะอาดสะอคงดูที่ไหนก็สวยงามอันนี้ถ้าพิจารณาอย่างนั้นเรียกว่า พิจารณาให้เป็นสุภาพดูให้เป็นสุภาพถ้าดูไม่ดูให้เป็นอสุภาพเป็นยังไงพระพุทธเจ้าดูให้เป็นสุภาพคือดูให้เป็นธรรมชาติร่างกายของเราเนี่ตั้งแต่หัวจดเท้านี่มีหนังหุ้มโดยรอบต้องเหมือนกับกระเป๋าหนัง อ, อย่างวันนี้กำลังเราจะฉันยาหาร เ, เราก็จัดของเข้าไปในปากเราเข้าไปในท้องเราพอไปในท้อง จากนั้นมันก็ไหลซึมออกจากทวารทั้งเก้าคือตาหูตาสองหูสองจมูกสองทวารหนักทวารเบามันไหลออกมาซึมออกจากหน้นกากระล้มมันซึมออกมาจากผิวหนังอีกขุ่มขนอีกถ้าเราฉันกระเทียมก็มีกลิ่นเหม็นอีกถ้าสันชะตานี่คือมีกลิ่นเหม็นออกจากผิวหนังอีกถ้ามันซึมซับออกมาจากมาจากกระเพาะของเราหนังเนี่ยมันห้มอยู่ ถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่อาบน้ําสักวันสองสามวันเป็นยังไงสิมีแต่เงื้อออกมันจะมีเหม็นสาบเป็นสางเหม็อนอะไรก็ไม่รู้เพราะฉนั้นเราจะว่าสวยงามไหมพระพุทธเจ้าท่านว่านะร่างกายเนี่เป็นอสุภะนะเป็นของไม่สวยงามนะแต่เราอย่าอย่าพิจารณาให้เป็นของสวยงามนะถ้าเป็นพิจารณาตกแต่งฟอกสบู่อาบน้ำํำชาระกาย ทาแป้งแต่งตัวฉล้มด้วยของหอมดูเข้าไปแล้วก็สวยงามอันนั้นพิจารณาอย่างนั้นเป็นพิจารณาให้กิเลสกามาลาฆะกําเริบอันนั้นแปลว่าเป็นพิจารณาให้เป็นสุภาพถ้าพิจารณาให้เป็นอสุภาพให้เป็นเห็นตามความเป็นจริงร่างกายนี่มันเป็นยังไงต่อไปเมื่ออายุแก่เข้ามากันหนังเหี่ยวหนังย่น อย่างคนแก่แล้วเราเห็นไหมเป็นเลี้วๆลอยๆหางตาของเราเป็นตีนกาไปเรื่อยทั้งคอทั้งอะไรเนียงงขยานไปเรื่อยหนังมันหุ้มห่อร่างกายทุกคนถ้าไม่ตายง่ายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละดูนะร่างกายของเราเวลา ร่างกายของเรามันเหี่ยวไปหมดทั้งปากทั้งจมกูกทั้งตาทั้งผิวหนังทั้งคอทั้งอะไรเนี่นี่แหละหนังหุ้มหนังหุ้มอยู่โดยโดยรอบเนี่ยดูดูให้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นอสุภะนะนี่แหละให้พิจารณากรมาฐานห้าเกษาผมเป็นยังไงที่พูดแล้วว่ามันหลดุลดหล่นออกมาเป็นยังไงมันอยู่ในหัวเป็นยังไงถ้ามันอยู่ในหัวในศีรษะของเราเราตกแต่งให้ดี ฉลองย้อมผมให้ให้สวยเป็นยไงแหมมันก็สวยงามถ้าแผนพิจารณาให้สวยงามด้วยวะพิจารณาเป็นสุภาพเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสลาคะในจิตในใจถ้าว่าเราพิจารณาเป็นอสุภะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะตัดกิเลสการ ม, มักกิเลสไม่ยุ่งเหยิงลุ่มวุ่นวายไม่ให้หลงไม่ให้ลใหลงในผมไม่ให้ความสําคัญในผม เพราะอีกสักวันหนึ่งถ้าปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวผมงอกผมขาวไปเรื่อยแล้วงั้นผมก็แก่เหมือนกันนะเนีนี่แหละเกษาผมโรมาขนขนในร่างกายของเราเป็นยังไงเนยหน้าขาเล็บเป็นยังไงเน่ทันตาฟันเป็นยังไงตะโจหนังเป็นยังไงนี่แหละอันนี้คือคือกรรมฐานกรรมฐานห้า แตถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาพิจารณากรรมาฐานห้านะเกษาโลมานะขาทันตาใจโจเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของอสุภะปฏิกูลนะแต่ถ้าพวกเราไม่ได้เรียนกรรมาฐานห้านะพวกเราได้ยินแล้วก็งงแตกเหมือนกันเลยพิจารณาอย่างไงแต่พระนั้นหลวงพ่อเองบวชมาแต่เล็กแต่น้อยได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นแต่ตอครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตัวเอ ง, งงงมาก่อนแล้ว พระนั้นจึงนํามาสอนคณะสัตยา ญ, ญาณโจรลูกหลานน้องหนุ่มผู้งโง่เหมือนกับหลวงพ่อก็คงจะมีเพรานั้นหลวงพ่อจึงพยายามสอนให้เข้าใจว่ามันพิจารณาอย่างนี้นะแต่ก่อนเราก็งงแต่พอเรารู้แล้วเรารู้อย่างนี้แล้วก็เป็นจริงหน่วยที่ที่เรารู้ไม่ผิดกันแล้วกันนะออรู้อย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะอะนี่แหละหลวงพ่อก็ย้ําสอนให้แก่ผู้ภาวนาเนย จะเดินวิปัชสนาเนะี่ยต้องเดินอย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้นะแต่สมถนะเนี่ยสมถารู้ไหมวิปัสนารู้ไหมสมถะคืออะไรสมรถะคือสมาธิคือทําจิตใจให้สงบจะทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบเน่งให้เป็นหนึ่งนี่แหละให้ให้ใช้กรรมฐานพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานพอแม่ครูบายจารณ์แนะนํา ม, มาท่านให้ใช้กรรมฐานกรรมฐานห้าคือ คือเอ่ออยพิจารณาพุทโธธรทมโมอนุอนุสติสิบเรียกว่ากรรมฐานสิบพุทธา น, นุสติธรรมมาสังฆาศีลาจาคาเอ่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงพระธรรมเอาพระธรรมมากําหนดอยู่ที่ปลายจมกูกธรรมโมธรรมโมสังโฆสังโฆพุทโธพุทโธเอ่อเรียกว่าตายตายหายใจไม่เข้าก็าตายหายใจไม่ออกก็าตาย ให้กำหนดโนดอยู่ที่ปลายจมกูกอันนี้เราจะทำยังไงใจของเราจึงจะไม่คิดบงฟุ้งไปทางอื่นให้มันอยู่กับที่ให้มันนิ่ ง, งเหมือนกับเราเอาสมาธิเมื่อเราเออกกรรมฐ า, านใกรรมฐ า, านก็นคืออะไรกรรมฐ า, านห้าเกสาลงมานะขาทันตาตะโจหรื อ, อพุทธาธรรมา ส, สังขารุจติเนี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เนี่ยเป็นเชือก เ, อเป็นเชือกมัดใจของเราเนี่ยมาไว้กับหลักหลักอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายจมกูก เชื่อคืออะไรอเชื่อกันนี่แหละกรรมฐานพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารเนีเอ่อควายหรืบวนคืออะไรคือใจของเรามันออกไปเพ่นพ่านไปหาอยู่หากิน ท, ที่อื่นอื่นบางทีเราไปกินข้าวกินก้ากินพืชที่เขาปลูกไว้ด้วย เ, เพราะใจดวงเงี้ยมันถลําออกไปข้างนอกในเมื่อมันออกไปทางนอกแล้วต่อไปมันก็จะเอากายวายจาออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติ เอาเชือกกรรมานเนี่ยมัดมันไว้อมัดมันมัดวัวมัดควายเนี่ยคือมัดจิตมัดใจของเราให้มันอยู่กับหลักแท้กับหลักเนคืออะไรคือลมหายใจเข้าออกให้มันอยู่กับหลักนี้ไม่ให้มันอัดออกไปแต่พอเราเพ้เพลิดมันเชือกขาดมันก็ไปอีกมันเพอเพลิดมันเชือกขาดมันก็ไปเชือกเพราะว่าเชือกของเราไม่ไม่มั่นคงว่างั้นแต่เชือกของเรามันไม่เหนียวแน่นพอมัน วัวควายมันก็ออกไปเอ่อพอควายออกไปทีเราโอกมันออกไปทิ้งไหนเออเราก็ไปหาจับออกมาอีกมามัดไปเองมามัดเสร็จหลักเองเออพอมัดเสรอีกหลักเองให้มันอยู่ให้มันนิ่งให้มันนอนเออมันพอแล้วมันไปเพ่นพ่านน่ะเนีพราะมันไปเพ่นพ่านอยู่ทั้งวีทั้งวันมันไปได้มันเหนื่อยเออให้มันพักเอ่อพอเผลอเผอมันไปเองจับมาองเนี่ยนี่แหละ คือวิธีการวิธีการภาวนาอั น, นี้เรียกว่าสมถะคือพยายามดึงเข้ามาหาหลักหาหลักคือกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้กําหนดลมหายใจเร า, าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทนั่นแหละเรียกว่าธรำโมสังโคนั่นแหละที่เป็นเชื่อกมัดจิตมัดใจของเราเข้ามาสู่หลักคือกรรมฐานคือกําหนดลมหายใจ แต่นี่พอเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงหลายครั้งต่อหลายหนหลายหนต่อหลายครั้งเหมือนกันแตผลที่สุ ด, นนสดเออพอจิตใจของเรามันจะกระดุกกดิกนี่มันจะขยับนี่ยเรารู้เลยสติของเราทันแลระบาดสติของเราจะค่อยแข็งเพราเราฝึกสตินะ เ, เราจ้องอยู่ตลอดเวลางั้ือนกันแพอควายแต่มันจะกระดุกกดกมันจะขยับตัวเนี่ยเราก็รู้เอยมันจะมันจะไปแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ดึงลากมาอีกกําหนดไปอีกแค่ นี่แหละจากนั้นจิตของเรามันไม่มีช่องที่จะไปได้เพราะเชื่อของเราก็แน่นมันแน่นหนามันคงหลักของเราก็แน่นเท่านี้ไอ้ควายตอนนั้นก็ไปไม่ได้เลยอยู่นอนกับที่นอนก็นหลับช่ยเงียบอลไรตวนี้นี่แหละเพราะว่าจิตสงบแล้รตัวนี้ไอ้มันเนี่ยเ ง, งียบเออพอนิ่งสงบเลยจากนั้นพอโอ้ควายตอนนี้มันนอนมากเกินไปแหละเดี๋ยวมันจะหิวนะเนี่ยไอ้มันจะหิวญ้าหิวน้ำํำเลย เอ <Das kop at io> ปล่อยไปเถนี่ปล่อยไปให้มันไปที่ไหนปล่อยไปให้มันไปกินหญ้าให้ไปกินน้ําที่สะอาดให้ไปกินหญ้าให้มันเห็นตามความเป็นจริงใหพิจารณาบาัดเนี่แหละเรียก ว, ว่าวิปัสนาคือปล่อยปล่อยจิตไปปล่อยจิตไปให้เห็นตามความเป็นจริงคิดพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่กรรมฐาน5อย่างที่ว่านี่แหละวิธีการพิจารณาวิปัสนาเนาี่ย อันนั้นสมัทธาคือทําจิตให้สงบเหมือนกับเรามาผูกควายไว้กับหลักนั่นคือสมาธิส่วนวิปัสสนาคือนําจิตใจของเรามาให้ออกมาพิจารณาให้พิจารณาถึง อ, อย่างกรรมฐานห้าให้เห็นตามความเป็นจริงเกสาเป็นยังไงอย่างที่ว่าโลมาเป็นยังไงนัขาเป็นยังไงทันตาตาโจหนังเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงนะใจนะ คือใจเนี่ยคือมันเพ่นพ่านออกไปบัด น, นี้ให้ใจมันพักผ่อนพอใจพักผ่อนออพอมันเป็นสมาธิแล้วมันมีสติแล้วท่นมันมีเชือกอยู่เนี่ยเชือกให้มันไปมันเป็นกินญ้าที่ไหนให้มันเป็นไปกินน้ําที่ไหนให้มันพิจารณาอะไรพิจารณาให้ใจพิจารณาอะไรให้พิจารณากรรมาฐานห้านะแต่เมื่อพิจารณาจมกรรมฐานห้าเสร็จแล้วท่านเห็นใจใจของเราเห็นตามความเป็นจริงบัดนี้ เห็นผมโอ้ขนเป็นอย่างนั้นเล็บพราะพระพุทธเจ้านี่พูดตรงถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าวะอย่าหลงไหลนะอย่ามัวเมานะร่างกายของเราเนี่ยนะอีกสักวัดหนึ่งนะมีจุดจบนะตายนะเออมันแก่เขามันแก่แก่แกไปเรื่อยผมก็งอกผมก็หล่นเออผลที่สุดฟันก็หลุดหูก็ตึงตาเข้าฝ้าฟังหนังก็เหี่ยวมันไปตามสภาพของมันอย่างนั้นน่ะพลที่สุดมันก็หมดสภาพ นี่เหมือนกับรถเนี่ยของใช้จริงไหนก็ตามมันหมดสภาพมันก็ต้องจบถึงจุดจบของมันนี้่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องถึงจุดจบของมั น, นอีกสักวันหนึ่งอ่เพราะฉะนั้นอย่าหลงอย่าหลงนะใจนะจะได้มาพิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้รู้ว่ากายรู้ว่าใจรู้ว่าจิตสงบเนะี่ยใครเป็นคนรู้ที่งพอมาพิจารณาตัวเนี่มาดูใจนะใจคือนามธรรม มันจะชัดเจนขึ้นมาเด่นขึ้นมาเลยจากนั้นก็พิจารณาถึงกายแล้วก็ย้อนมาหาใจพิจารณาถึงเกสาโลมานะคะทาทันตาตะโจแล้วก็ย้อนมาหาใจใจปพิจารณาจากนั้นก็ให้ใจมันเหนื่อยมันล้าเห้มันพักผ่อนให้มันสงบซะก่อ น, มนเมื่อมันสกบพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาพิจารณาฝึกฝนสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเนี่ยเป็นหินรับปัญญา ให้เกิดสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องใช้เห็นลับเห็นลับเม็ดตรงนั้นแหละในเมื่อพิจารณาหลายครัง้งหลายหนใจของเราก็เข้าใจเองทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจให้ไปใจไปให้ความสําคัญในผมใจไปให้ความสําคัญในเล็บใจไปให้ความสําคัญในฟันใจไปให้ความสําคัญในหนังแต่หนังเนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญกับเราในใจเลยมันก็ไหลไปตามสภาพ แต่ใจของเราไปให้ความสําคัญใจไปร่วมหลงเพราะนั้นใจก็เป็นทุกข์ถ้าใจร่างกายของเราเป็นแผลเป็นบาดเรือหนังเหี่ยวเป็นทุกข์อยากจะให้มันเต่งตึงอย่างเก่าฟันของเราก็เหมือนกันถ้าฟันหลุดฟันร่วงฟันหลนปวดฟันฟันเป็นแผลหรือฟันเป็นแมงเราก็เป็นทุกข์ใจกับฟันอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันฟันมันไปตามสภาพของมัน แต่ใจของเราเลยไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นมันทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าดูทุกข์ดูที่ไหนดูที่ใจใจไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นใจของเราเลยทุกข์ใจดูดูนะอย่าให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปนะอีกสักวันหนึ่งนมันจะหลุดไปแน่ๆ น, นะใจนะนเกิดมาพบหน้าชาติมามันก็จะเป็นอีกอย่างนี่งนะใจนะนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นให้เห็นสิ่งไม่สิ่งไม่เที่ยงถึงอันนี้จัง สิ่งทั้งหลายที่เป็นอันตรจังอันตรจังคือของไม่เที่ยงอสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งไหนที่มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์มันทุกข์ใจมันไม่ใช่ทุกข์ที่อื่นมันทุกข์ใจพอทุกข์กายมันปวดที่กายแต่มันทุกข์ใจในเมื่อพิจารณาถึงใจเมื่อทุกข์ใจเราก็ดูที่ใจเลดูที่ใจเมื่อมันเห็นสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรานะใจนะ จะเราจะไปยึดทุกได้ยังไงใจนะต้องรู้เท่านะต้องรู้จักวางนะทีเดียวนี่จะไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนี่ที่ได้มาเก่ามาถึงใจทีเียพอมาถึงใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมเนี่ยธรรมะทั้งหลายนี่จะปล่อยวางจะปล่อยลงที่ใจนะทีเดียเออที่เป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอรหันตเนี่ยต้องอยู่ที่ใจนะนะปล่อยวางที่ใจนะใจรู้แจ้งเห็นจริงใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจเกิดความเบื่อหน่าย ยเออพอเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันยึดก็เท่านั้นแล้วก็คลายพอคลายก็หลุดพน้นใจหลุดพ้นจากอาชวะกิเลสแเออกิเลสทั้งหลายทั้งปวงราคะกูดีเออมันจะกําหนัดกินดีพอใจได้ยังไง่ายในร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเโทสะเอเราจะไปโกรธโมโหโกรธาไปเพื่ออะไรร่างกายมันก็เป็นเพียงแค่นั้นอโมหะมันจะรูมหลงไปอะไรเออ เพราะร่างกายมันก็เป็นเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็เราจะเป็นโลกเพื่ออะไรมากมายนักหนาในสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้คือธรรมะมาอยู่ในใจนะมาอยู่ในใจแต่สิ่งภายนอกอสิ่งภายนอกที่โลกสมมตุติเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกโลกสมมุติเขาทุกอย่าง อ, อยิ่งรอบครอบอีกต่างหากเพาะอะไรเพราะท่านรู้ทั้งโลกรู้ทั้งท ง, ทงข้างนอกรู้ทั้งข้างใน พอถึงข้างในย้อนมาหาข้างในกับพิจารณาข้างในเออใจอย่าไปหลงนะออสิ่งเหล่านั้นทำจักแต่ว่าทำเท่านั้นะแต่ต้องทําให้ดีแต่ว่าอ อ, อย่าไปติดนะจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพิจารณาดูแล้วนะมันจริงนะเออแต่ว่าถึงยังไงก็เมื่อทางโลกเราก็ต้องทําให้ทางโลกให้สมบูรณ์เอ อ, อย่าให้ขาดตกบกพ่องทั้งข้างนอกทั้งข้างในแต่ข้างในเราก็พิจารณาอยู่เป็นเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ แต่ทั้งโลกเราก็ทำแต่ไม่ให้ขาดตกบกพรปปป่องอย่างที่ว่านี่แหละทำหนึ่งมันคุ้มครองทั้งทางโลกและทางธรรมถ้ารู้แจ้งเห็นจริงมันไม่หลงโลกหลงธรรมแต่ถ้าว่าเราได้พิจารณาจุดนี้แล้วพอมันหลงโลกมันหล ง, ลลงลจริงๆนะทีนมันหลงตัวเองกันหลงจริงๆอีกเหมือนกันอมันไม่ใช่ธรรมดาจนจะฆ่าขู่ฆ่าคนจะลม้มจะตายเพราะความคิดของตัวเองเพราะความหลงของตัวเองเพราะความโกรธของตัวเอง เพราะความรักของตนเองแต่ตามที่จริงถ้ามีธรรมอยู่ในใจแล้วจะรักอะไรจะโกรธอะไรจะหลงอะไรมันจะรู้ในใจของพวกเรานะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุมโมทนา